เท็จกองบ่าวองหลวงพ่อฟั่งให้ทุกแพนทุกแผนฟังกันไดเออกันนี่ดีเอาไงเฮ็ดเครื่องหมายไปกกันนี่ฟังเลยเออดีมากเฮ็ดเครื่องหมายไปกันเ้าห้อยอยู่ฟังต่อไปห้อยยังบอกันนันกันนี่บางที่ห้าก็เบ่าเหลืองเสียงเหืืองท่านธรรมดาบางที่เขาบ่าเหล่องลูกเหลืองเต่าเหลืองพ่อเหลืองแม่ฮ้างเท็เขาบา เรื่องตายเรื่องเกิดท่านังเที่ยเข้าเรื่องภาวนาท่านังเทอ่ยเขาเบาเรื่องคู่บาอาจารย์ท่านังเที่ยงเข้าเรื่องประสบ ป, ประการในซีดีซิปแผ่น CD an, น่ยคณาว่าห้องฟังฟังบงแรดแต่ละกันเลอแผ่นที่หกนี่ฟังบรงแาวมีทันกันเลยที่ฟังแล้วมันโดนใจเฮาถึกใจเฮาเหมาะตัดตัวของเฮา การเจว่าเรื่องภาวนาเออเข้ามาจุาจะศึกษาอีกหนาจะซ้าอีกหนาจะฟังให้เข้าใจอีกเรื่องภาวนาเนี่ยเข้าก็เหตุเครื่องหมายการดอกจันใหม่ให้เครื่องหม้ตัวใดไหวมาฮันตัวไปเข้าก็จะได้ฟังจุดนั้นอีกเนี่ยการฟังเหตุฟังเป็นเป็นทันฟังหลายเที่ยวลายหนหลายพังต่อไปมาเข้าอกเข้าใจใดบ้างเนี่ยการเจว่าเื่องฟังเรื่องพุทธเปรียบเออ บัญการเป็นมากของพระพุทธศาสนากฎระเบียบที่พระพุทธเจ้าว่างไว้กฎว่างไว้แบบไหเข้าก็าาาานได้ฟังเอกซัมฤกษ์ก็ได้ท่นว่าเลือกศินหาสินหารคู่บาอาจารย์พระวิสินหามีคุณค่าจังไรเข่าฟังอีกให้เข้าใจอีกซัมก็อีกนั่นแหละเป็นบัญการฟังธรรมการฟังธรรมนี่อเนกสงอยา่างผู้ฟังธรรม อยอมในฟั่งสิ่งที่บได้เคยได้ยินในฟัง่งสิ่งใดที่เคยได้ยินในฟั่งแล้วแต่พอเข้ า, ขาใจชัดก็จะเข้าใจสิ่งนั้นชัดขึ้นบัรเทาความสงสัยเสียได้ทาความเห็นให้ถูกต้องได้คณะฟัง่งจิตของผู้ฟัง่งได้รับความพองใสคือเบิกบานคือเข้าใจในขั้มอันนี้สงแท่งการฟังธรรมเพราะฉะนั้นเอ ไปย า, ยาฟังตั้งให้มากแต่ฟังมากฟังให้บ่อยๆหเขาจะเกิดปัญญาในการได้ยินในฟังไปพบเหตุการณ์ยังเข้าก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เพราะว่าเข้าได้ยินในฟังมาแล้วกันว่าผู้บุกเคยได้ยินในฟังไม่ต่ฟังเสียงมาเป็นเรื่องหลอกล่ำทั้งเพงี้นเรื่องสนุกสนานเฮ่ห้าทันงๆกับไม่ยุบมีกติตัวอ ย, ย่างยุบ อันนั้นฟังดียังลองเพ่งกันสิเขาลอง น, นอย่างยังชีวิตของคนที่กันนะ่ะแต่ว่ามันไปในทางอีกแบบหนึ่งวันไปนการฟังธรรมมาเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งวันไปเป็นชีวิตประจําวันของพวกเข้าจะต้องปรับปรุงแก้ไข ก, กายว่าจาจใจของเขาา้าธรรมะสี่ไปลงไปจุดนั้นนะสรุปแล้วก็คือ ส, สุสังและสะเตปัญญ ผู้ฟังด้วยดียอมได้ปัญญาการฟังด้วยดีได้ปัญญาในการฟังเรื่อมวันนี้เป็นมือทำบุญหาตุ่นหนูหน่ะผู้เฒ่ามาธน า, าพไปสักปีแล้วสองปีผมไม่ควบนู้นก็ดีเต่ปีนึงก็ดีเต่อเโอ้แทบเดียวเว้ยเนี่ยแหละลูกเต่าเล่าล้านคบกอบปีมันกับทำบุญหาผู้เฒ่า อันนี้เป็นประเภทนี่ถือสืบเนื่องกันมากแต่ในขังโบราณาการทำบุญหาพ่อหาแม่พ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณเป็นผู้สางฐานะให้ลูกหายเต่าเป็นผู้บุกเบิกเป็นผู้คิดอานจนลูกเต่าลืมตาอาาปากไล้เพราะพ่อแม่เป็นผู้ว่างหลากฐานใหม่ในเมื่อพ่อแม่ล่วงรับรับขันไปพวกเขายู่เบื้องหลังจ็กเสี่ยวอย่างพดแทนพนพน การเอาเข่าเอานําไปว่าไหวหมองเผาเพลินมีเดเดชรมดแนนุยังกินมันออไปอันนึง่งค่ะคือส่วนหนึ่งคือความคือทอดมันไปแต่ว่าตามที่จริงความคือทอดในหลักของพระพุทธศาสนาเนี่พระพุทธเจ้าพณนบอกว่าให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้พณ์ทาคุณงามความดีให้พเพณนเมื่อลูกเต่าทําคุณงามความดีแล้วก็ ทำบุญตักบาตรถาวายสร่างคต า, านิยงกระทำน้อมจิตอุทิศส่วนกุศลถึงพันพันเมือนมีวิญญาณกู้ใจพวกเฮ้ามาน้อมจิตเข้าใจเข้าใจของเฮ้าน้อมอุทิศส่วนกุศลให้พันวิญญาณก็จะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลอันนี้คือหลักของพระพุทธศาสนาที่พวกเฮ้านับถือและปฏิบัติกันมากย่างหลวงพ่อเนียดกันหลวงพ่อกัเป็นพระทังทีเลยก็ทำบุญด้วกันได้ ส่วนพี่ส่วนน้องลูกเต่าเล้าล้านที่พี่นันดูเออทาบุญหาพอฮาแมเบอเทาเด้อฮาบอรงศากนายาเท่าเด้อหลวงพ่อก็นี้แหละย่งวัดเท่าปีนี่ก็นัดกันด้นัดร่วมทำบุญกันวันที่สิบนะวันที่สิบมิถุนาห้าสูงมันไปแต่เคยทำบุญย่างพวกปีที่ผ่านมาเน่ะหลวงพ่อก็จะประมวลส่วนญาติพี่น้องที่กันพอญาติพี่น้องของหลวงพ่อน่ยไป บอกว่าพี่น้องน้าทังบุญ ห, หาพ่อแม่เฮาน่าพ่อแม่เป็นผู้มีบุญคุณน่าแตา่แต่หัวจันทร์หอดีน่าได้มาจากใส่ดอเราน่าได้มากจากพอจากแม่พ่อแม่แมเลี้ยงเขามากยากเขอาพอท่านตายพ่อแม่ตายไปก่อนพวกเฮ้าก่ะให้ทำบุญอุทิชวนกุศลถึงพอ่อถึงแม่เฮาเน่าขณะว่าพ่อแม่ของเฮ้าบางคนยังมีชีวิตอยู่พ่อแม่ไม่ีชีวิตอยู่ก็เออเอาทำบุญขอุทิศถึงปู่ญาตตายง่าย ผู้ทีล่งลงรับไปเพราะว่าเข้าเกิดมาเพรามันเกิดมาจะพบนิยมชาตินี้ชาติที่แล้วเขาไม่พอมีแม่คือแบบย่างยกตัวย่างย่างพระเจ้าเ ป, ปรตพ ร, ระเจ้าพิพิสารเนี่ยเป็นตัวอย่างขณะว่าพอแม่ยังมีชีวิตอยู่เอา้าจะเห็ุกัรไ์ใดอันนี้เพื่นก็บอกว่าพอแม่ยังมีชีวิตอยู่ใหดูให้แล้วเด้อให้แสดงความเคารพให้เขานําโอชนะอาหารให้ปัจใจซีกับแม่กับพอคนยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าพเพื่อนให้เลี้ยงเขามาก ข้าวรจะทดแท่นบุญคุ่นของพ่อขอแม่ขึ้นอันนี้พระพุทธเจ้าเพิ่นก็สอนไว้กันว่าพ่อแม่ตายแล้วดวงลับรับขันไปแล้วในเข้าห้เพิ่นบ่ได้แล้วเอาเงินให้เพิ่นเพิ่นก็บอเอาแล้วเอาข่าวให้เพิ่นเพิ่นก็บอกินแล้วพอเพิ่นตายแล้วนะอันนี้กระทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เพิน่นเป็นนาทีของหลูกเก้าเหลาหลานสุกขู่สุขข้นเนั้นหลงพอจึงได้คิดว่าประมุวนทำบุญ ในวัดของเฮ้าเนี่ยวันทีน่สิบมิถุนายนนี่ยคือวัดของเฮ้าเนี่ยก่อนที่เป็นวัดคือมา จ, าจังสี่เป็นศาลาจังสี่เป็นวัดจังสี่เป็นกำแพงจังสี่เป็นหลุมล่างขึ้นมาจังสี่พวเฮ้าได้รับความฉลวกสบายจังสีเนี่ยเพราะเหตุไปเพราะว่าพวกเฮ้าพี่น้องลดุรานอกต้นญยาดนุ่มผู้เฒ่าผู้แกให้การสนับสนุนบางคนก็ได้ลงหายตายจากไป ยังตอแกจู่จังสิยังคนขิมจังสยังพบเบี้ยจังสิย์แต่ไม่หลายๆายคนทั้งตู้เจ็ตจังสะย์ยัจอนั่นีหลหลายคนมาไปตีให้การชนะนับสุนยั ง, ง, ง, ง, ย ง, โโยงแถวบ้านเท่านึ่งแลจยังตู้หนูจังสิ่งละแต่ประตูพี่บาลเก่างสประตูกันหาจังสิย์ขนไปกัหลายคนตีให้การสนับสนุนวัดเท่าเลยแต่คนเรานั่นกับลุงรับรับขันตายไปแล้วบาดเหนือพวกเทาที่อยู่เบื้องหลัง มาเข้าก็บภวงศจักหวัดวิญญาณในพระใจของท่านเรานั้นที่ตายไปแล้วนั้นไปก๊อกไปของอยูอ่บ่งใดอาจจะตกตกแต่ยากอยู่บ่ไหนหรืออาจจะไปตกนรกคือมาหราพ้นจากนรกขึ้นมาเราก็ต้หงหาเงื่นอนยุคค่อยพี่ค่อยนอนค่อยคูบาอาจารย์อยู่ว่าก็ูบาอาจารย์พระธรรมบุตรอุทิศกุศลในผู้ข่าน้องผู้ขาก็านดลยจังวัดว่าศาสนาม า, มาก อะไรมันต้องไปพื้นผ้าใส่ไผ่อะไรเนไ่ยก็ต้องพึ่งผ้าใส่หยาดพี่นองเพราะดัง่งหลงพอคิดว่าพวกเข้ากั้ควรจะทำบุญอุทิศแต่ละปีเนี่ยควรจะไปสักครั้งหนึ่งพวกพวกคนรจะทำยายบบาหร่อทำไมน้อยไปไหน่มันคุ้บาจานมากแต่ไม่ยังว่าวัเท่าขือวัานั้นสิโน่มันก็ย้าทุกเทือแล้วมันต้องปฏิเสธพ่อมาอันนี้คือเท่านี่มันคุบาานนะ้บ า, บนนยายทจานะไนนด้าาทิหนีมากจากมารับทยท่าน บอกเขอุทิศส่วนกุศลถึงพ่อแม่ปุญญาต่ญาติยังมาเนี่ยนะนะครับหยาดนุ่มปุติสังวัตรเริ่มสางวัตรทำบุญอุทิศส่วนกุศลผูมีพระคุณสําหรับวัดของเขานะครับคงจะทําไปทุกปีทุกปีถึงหลงพ่อบ่มีแล้วบบต้องไปพ่ายภาคหนากันนั้นมาสมผ่านใจกว้างขวางนะสมผ่านใจกว้างขวางต้องไปพ่ายภาคหนาแล้วทาไปเป็นประเทศนี้ไปเพราะว่าผมมีอุปการคุณ วัดว่าศา ส, าบบสานาของพวกเขาเนี่ ย, ย่างทีผันผ่านมากนึงที่หลวงพอบอกไปฟังเนี่ยทัยาเธอทั้งนำพักนาแร่นทั้งทุนมาซัอทั้งสงมาจากที่อื่นจนไดเป็นวัดว่าศาสนาทะาคิดเป็นกันโ อ, อมากบ่ป็นสักล้านที่หดือนหนึ่งไปเป็นลอยลอยล้านที่อนหวัดของเขาเนี่ถ้าจะว่าไปแล้วคุณรค่าเปรียบเทียบแล้วแต่ว่าถึงยังไงก็ตาม คุ้ม่าท่านจิตใจเนครับประมาณตัวใดมากกว่าที่จะคิดเป็นตัวเงินตัวทองออกมาได้เพราะนั้นหลวงพ่อปีนึงก็จะทําบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้ม่อุปการะคุ้นในวัดของพ่อเช่นนั้นเลอันนี้หลวงพ่อก็ยคิดเลยวันทีบางที่สิบปีหน้าเรือปีนี้นาะอะไรกั น, นี้อย่างพอตูหนูเนี่ยหลุบหลันเป็นออกตนแย่งโน้มของหลวงพ่อ มีอุปกรณก์ุ้นกำบัดว่ามากแต่โนัมน้าท่านบัณจะเป็นบัณหน้าข้างยกันนี่แหละผู้ถาวรผู้แก่กับตู่หนูตูแ้แหวนตูหนวดเนี่ยนะผู้เ้าที่อยู่อยู่เบางหลังต้องบุบุทิไทยผู้ที่ตายไปก้อนการพอได้ตายไปที่หลังเอาทงบุบุธิไทยผู้ตายไปก้อนทำเหมือกันกไล่กันไปเรื่อย เพราะว่าเนี่ยเดืองความหลงความตายม่ามีปลายเหนือไผ่กันไปมัมีพลายเดือบเรียบไผ่มันมีพลายเสียเปียบไัยกันไปนั่มคนกันไปเรื่อยเรื่ยยวจะไปหาคือว่าโอ้ยเป็นยังมาถือผู้ข่าไงผู้ถือผู้กอนก็มีแะไรผู้ตายไปกอนก็มีอะจะต้องนั่มคนกันไปเรื่อยเรยโอ้ยผู้ข่าก็ยังมาท่านเถาท่านแก่แต่เมื่อตายกอนแล้วอันนี้เข้ากัดเย็ดจังไดๆล่ะผู้ถิ่นนุ่มก็เข้าเป็นเ้านอนก็เขาตายก็ม่จตเข้ากอนไปแล้ว อันนี้เป็นเรืองความตกลมความตายเฮาเลือบวารายกันเอาผัดวันประกันภงมิไดเฮาเลือกไดเ้เฮากับมว่ากันแล้วระต้องให้อายุแก่ๆคนไหนยังค่อยตายถึงยังได้ก็ตามบางคนนะบางคนยพระทานหูจักว่าจของเป็นโรกอย่างแต่ก็แน่ใจก็คิดยู่แล้วลงไปเป็นบางทีสงสัยจุกกูจะเป็นมะเร็งแล้วคิดในใจว่าลงไปบาดทาแล้วพ่อหูจักว่ามีคนมาบอก แตมอหมอหมอบางคนตพอ่ก็มาบอกหอกแต่หมอบางคนกับปากโป้งไปเบางคนกับบอกซื่อไ ป, ไปมันไปโอ้โหจับอะไรทของว่เป็นมะเร็งอัไรบางคนก็ไหคโก้เป็นมากเลกย โ, โอ้ยครูว่าจะตายเด้ไหมแม่คูว่าจะตายเด้คูจะมาอีกบ่โดนคูจะได้ตายเลยนม่ทั้งห้องทั้งไหนไปเจ๊งไหนไหนพอมันถึงข้าวแล้วไม่ไดนไหนข้าวเตรียมไว้เต็งเต็มอท่านตายไปแล้วแต่ดูดีไม่สุกเนียย่างเดินดิบ ไ ป, ไปไปมาได้ไปยามสามบุลสามกุชนเก็บหอมรอ ม, อมริบเอไว้ถึงจังทร์สันมหายมกข้อห้องมหม่มันก็มาเกิดประโยชน์ยังเหลือมาไปเพราะมันเปิดทุกไพ่ใครเก็บแล้วพรอมทีจะล้มจะตายแล้วจังมือนีคือกันลนะมืณีหลวงพ่อกับราบมาว่าตะคู่วชิ ร, อระอําเภอเจริญสินจังหวัดสกล น, นครเพิ่นเป็นมาเล่งปอดแล้วก็หลวงพ่อกับโฮมากตั้งแต่แต่ที่แรกคนน่ะ ว่าคนเป็นมะเร็งปอดคนกับเขาโ่งพยาบาลสีนี่เขาริหลวงพ่อกังไปเยี่ยมคนอยู่คนมรณภาพไปเลยนะมาณภาหัววันเนี่ยประมาณบายโมงกความอเขาโทษไมใ่ให้หลวงพรร่อทาบแต่ผมมีอย่างบางที่หลวงพ่ออาจจะไปลถน้ำซบกับโโหูหรอกเพราะว่าเป็นที่หูจับ ก, กันไปเลยคนแก่พษาพอหลวงพ่อเปสองพราษาบ่เป็นสามพรรษาเลยปีก่อนวนไป ปีก่อนอ่ะเพิ่นเทตกู้ก่อนมันเกิดอาจารย์ชาลีปีที่แล้วในหลวงพ่อเทศมันเกิดอาจารย์ชาลีเดือนมิถุนาน่ะอันนี้เมื่อเกิดคบเพื่อไปด้หลวงพ่อเทศกันะปีก่อนเพิ่นเทตปีที่แล้วในหลวงพ่อเทตกันไปเ่ยยามจจดาโองก่อนเทตปีต่อมาแล้วอาจาร์หลวงพ่อองเราเลยไล่มาเรื่อยไปหลวงพ่อเทตกัน มันเกิดอาดัชเชอรี่ปีที่แล้วเนี่ยเราหุจัดกันดีอยู่กับพินมรณะภาพแลยหมู่ว่วานเลยเป็นดกมาเล่งมะเล่งตอดสาเหตุคือการสุบบุหรี่หมอขวานไดหมอพลเป็นสาเหตุเพราะการสุบบุหรีมากเกินไปสูกจัดเกินไปแล้วก็เพิ่นกึ้นไปเหตุไปเหตุภาพมาเนเหตุภาพเหตุลูกรุก่งกรุ่หมันได้เลยมันกระสมสารเคมีอในยางู เหม็นคือการกระสีนี่นะคนเข้าไปไม่ได้หรอกแต่คนหยวนคุกหยวนมัเมือกนอันนี้แหลคือส่วนหนึ่งเขาเนี่ยวาไมเป็นเป็นหลกสารตัหนึ่งเขาไปชูปอดทำไมเป็นมะเร็งเพราะเป็นเป็นปักไก่ได้แล้วพื้เลยวะ เ, า เ, ออเนาะบ่ได้บ่หลงเพิ่งเขเลยลวมรับดับกันไปแล้วมรณะาภาพแล้วหม่ว่าไง น, นี่แหละแน่ตาไม่จริงก็ไม่เท่าวาไปก็ไม่ลงพอวา่าให้ พาเขบวนาตายนะบางทีเป็นกุศลายผู้อื่นหนึ่งบางทีขนาดใหญ่พาเป็นกุศล่าผู้อื่นนึกันกันคือเป็นอไรหนึ่คนก็งทีบวชไหลได้เนาะตัวแนเนาะอือคนพบพ้นบวชแล้ตายเลยนี่เป็นพาแตตายเป็นคือกันวนลงไปเพรคะนั้นบวชในเลือกคนนั้นบวชในเลือกผู้นี้บวชในเลือกวิชาอาชีพใดวนไปแม้นมุดเกิดมาแล้วตายมุดคู่ผูกคู่ค้นวไปแหมเพราะนั้น มืดที่ห้างเดียวพรพุทธเจ้าเป็นมาตายแล้วก็ศูญเด้อพป็นมาเขาพิสูจน์บ้างแล้วเป็นพรพุทธเจ้าวาคู่บาอาจารย์ทั้งหลายหลว ง, ง, งปู่เสาหลวงปู่หมัดลวงปููบาอาจารย์ต่างๆหลวงพ่อนี่ก็พิสูจ์ด้วกันนางภาวนากันบนพิสูจน์ใจเจ้าของที่พิสูจน์เองบอกถงสารลดนะวันนี่ะนางภาวนาที่พิสูจน์อย่างกั้นบมเบนใจเจ้าของบาทําพ่อนางภาวนาเข้าไปแต่เจ็ดสงบนี่นเฮยพกเจ็ดสงบเข้าไปไนี่เด่นชันดเลย ร่างกายเป็นอันหนึง่งจิตใจเป็นอันหนึงนะ่งไหมคือกันกับค้นขับรถกับรถถึงเทนะ่านั้นร่างกายกคือคือกันขับรถจิตใจใจคือนํา ม, มาทํถ้ำคือกันกับค้นขับรถเนะค้นขับรถในใช้รถนะแต่ว่าค้นขับรถหนึ่งเข้าว่องบริเห็นั้นไปคือนํา ม, มาทําคือใจถูกไหมพระพุทธเจ้าพอดีสูดมาแล้วนี่ละตัวที่จะพาไปเกิดในภพหน่อยพุงใใ่งไงขันวัสพุดธสางบุญสางกุศลนี่ละ่ะ ตัวใจเนี่ยตัวผู้ลู่ตัวคนขับรถเนี่ยมันจะไปหาเกิดคนขับรถมีเงินในกระเป๋ามันก็จะไปซื้อรถขั้นไม่ได้อีกคนมีเงินอยู่ในกระเป๋าเลยที่ไปซื้อเครื่องบินมันได้อีกอขั้นว่าคนขับรถสีขั้นหาเงานินมีแต่ใส่รถขี่รถเปลี่ย น, ยนมัดมือมัดเวน้นมาหาเงินพอรถพังระบาดในนั่นแหละวันมืดมันไม่มีเงินสี่ซื้อรถบาปมี้ะไรกันไป บอยางกับไปหาสือ่อในจักรยานเดี๋ยมอเตอร์ไซค์ห่ า, หางๆไปจัง อ, อ, อันนี้คือ ก, การเอาพวกเข้าส า, สางผู้สางุู้ชนเข้ากับไปเลือกใดไปหาเกิดใดกุ้งเงินเท่ามีบุญเท่ามีการเอาเข้าบุญเท่าบ่ญมีบาทเข้ามีา่เด็กขี่รถออกจากรถไปเหตุยังใดๆดละ่ะเ้าก็ต้องไปซื้อรถทางหางซื้อรถเก่า ท่างๆก็เงยังไปเกิดเป็นสัตว์ที่ดุฉานไปเกิดเป็นสั้งหมางง่วควายมูส์หมาเป็ดไก่นกหนูปูปีกไปเกิดได้ทั้งบ้างสิ่งน่าอะไรกันมาตัวแดงพระพุทธเจ้าสวยประชากเป็นสั้งก็ไม่เป็นง่วก็ไม่เป็นควายป่าก็ไม่เป็นควายบ้านก็ไม่เป็นหมาก็ไม่เป็นแมวก็ไม่เป็นนกก็ไม่แล้วอ่านบนในชาดกพระพุทธเจ้าอีชาดกคือพระพุทธเจ้าสวยชาดในอดีตชาดเป็นมาจังใด พระพุทธเจ้าเป็นนกกระทาก็มีเป็นลิ่งก็มีนั่นจังจคือฉลุกแล้วยคือวิญญาณคือใจตรงนี้ลนะ่ะไปเกิดในภพภูมติต่างๆขั้นออกจากรถขั้นหนึง่งไปรถขั้นหนึ่งวัไปอยับไปเลยวัไปขั้นวามีทุนสูงขื้อรถขั้นดีขึ้นไปคนมีบุญไปเกิดในภพภูมิใดก็ไ ด, ได้เป็นเที่ยวบุตรเทยวดาอินพร่มเกิดได้ทั้งนั้นเพราะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่สนใจเรื่องหน้ามาถาม้ำคือใจ บอดีสนใจเรื่องกายเลยร่างกายของเฮาเกิดมานี่ยนั่งขอบอกไปแม่บนขี่ลายมาแต่ขี่ลายมาจากทองพอทองแม่พกกรรมในอดีตชาติเฮาเห็ุกรรมบอดีไว้กรรมบอดียังไงกันเวลาทำบุญทำท่านใจโมโหโทโสโศกท่าใจบเบิกบอบาดกันออกไปเกิดมาพบหนาชาติหนาผิวคําผิวดําหนาบุตหนาเบี้ยวเวลาทำบุญทำท่านจะให้ใจเบิกบานยังคอยสวยยังคอยงาม แล้วก็ของท่านบุญทําท่านก็นเลือกสรรของที่ดีในการให้เขาเมื่อเขาให้เขาเขาโอเคใจดี อ, อกดีใจบุญกุศลของเขาสู้จิตใจของเฮ้านี่ยแหละคันนวัตผู้ใดขี่โกดโมโหโทถโศนอยู่ตลอดเว ล, เวลาใครเห็นยังกันมแตะโกดเกิดมาพบหลายชาติได้จะเป็นผูกขี้ให้ผิวดํำหนามยิกหนางอ่ อ, อกิจการข้นี่โกะไอ้พู้นั้นผัวนนเฮ้ายา อย่าไปหาขวดนะพระพุทธเจ้าคนมันอดีตเนี่ยมันเสือเ่อมเลื่องมาถึงปัจจุบันข้า เ, เห็ดข้าวขี่ขวดในภพนี้ชาบนี่าติมาเกิดข้าเกิ ด, กดมากแค่ขี่หลเอาลงไปเ น, นะ่ยนะท่นว่าเ้าทําบุญทำท่านเกิดมาพบนายชาติร่ำรวยเอาไปอันนี้สงท่านเลยข้าขี่ขานทำบุญทท่านเกิดมาพบนายชาติมาโม่มีผลท่านยากจนนะพร็พุทธเจ้าคนบอกไว้จ้ะคนพฮู้เลย อย่างที่ปณิวัฒน์ น, นําพระว น, นาอยู่ถือเป็นในตัก ส, นะสูตรนะคนพิสูจน์เพราะว่าตายตายแล้วมรืนได้ตายแล้วนะเกิดอีกสิ่งที่พ่ายเกิดนนั้คืออย่างนี้แหะบุญกุศลใ น, นพ่ายเกิดแต่เชื่อจริงๆที่จะพ่ายเกิดจริงๆก็คื อ, ก, คอ ก, ก, กิเลสรากขาโทสะโมหะพ่ายเกิดแต่ว่าพที่จะอ้มวยความสุขความสบายนั้นเกิดคือบุญกับบาปขั้นผู้ใดม่บุญก็อํามหยอํานวยความสะดวกไปสู่สุคติได้ ขณะว่าพระโพธิ์ได้ทำบาปบาปอกิษณ์ผ้าดวงวิญญาณต น, นั้นไปสู่ทุกติไปเกิดเป็นหมูหมากาไกลูกห น, กนกูปูปีกไปลอยลงไปอันนี้พระพได้เจ้าเป็นสนใจทุกนี้แล้วก็พ่อแม่ผู้บาดาจลงปูหลงตาเข้ามานั่งภาวนาในดงในปานี่ยุ่งกัดยุ่งกินเนี่ยหินกัดหินกินนี่ยมจักหมดมวจักแม่งมวจักเอียนทุ่นทุกโดนเรียบดงในปาน ั tunes, achts, นก็มาพิสูจเรืองนี้ล้นไปมาพิสูจเรื่องใจเนี่ยนางภาวนาเนี่ยเป็นพิสูจนเรื่องไหนเด้นางภาวนาบงใจคนเจ้าของพุทโธพุทโธเจ็ต่อมต่มต่มต่มเขามากมาเป็นหนึ่งมวเไปพอจุดเจ็เป็นนใจเป็นหนึ่งบาทนี่ยโ้จะไเด่นชัดเลยในตัวเองโอ้ร่างกายเนี่เป็นอันหนึ่งอีหลีเจ็บใจนี่มันเป็นอันหนึ่งอีหลีตัวหน้ามมาท่ำตัวหน้าม้าทำตัวใจตัวนี้ ทีมาสังสมองให้ใส่นั่นให้ใส่นี่ให้คิดนั่นให้คิดนี่ให้ทนั่นในพูดนี่ขั้นว่าใจดีเลยใจอบร่มดีเลยใจเลยถ้ามึงเหตุบุตรีเป็นบาปเลยนั้นต่าใจดีดีเลยใจเลยขั้นว่าพูดบุตรีเป็นบาปเลยดาพ่อดาแม่เนี่เป็นบาปเลยเกิดมาพบหนาชาตินาเนี่ยบาปเลยพอดาพ่อ ด, ดาแม่นี่ใจอบร่มดีแล้วนะที่พูดก็ต้องได้คิดะก่อน เป็นการพูดการด่าบอ ก, การกระท่ำออกไปก็ต้องได้คิดสะกก่อนว่าเออการกระท่ำของข้าวันว่าแมนมอมันถูกบออนะอันนี้แหละทางว่าใจข้าวเลยอบรมหูหลักศีลละธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วกันพวกข้าจะเป็นคนหูผู้ดีแล้วบาทเนี่ยสิเห็ุจะคิดสิถ้ำล้ำจะพูดน้ำกับไปในทางที่ดีเป็นเพราะนั้นปลูกหลานทุกหูทุกคนอนนะออกอนุนใหญ่นโยมนะ สิ่งนีลงพอบอเอาความจริงมาบอกได้หลักของพกาธศาสนาเป็นางสัตว์แต่ว่าพวกเขายาจงหูเพื่อนกบฏิสานวนฤกษ์กษระสอยากน้อมเห็ุบ่ไดเด็กน่อยผู้ใหญนะ่เตุบ่ใดนะเรื่องภาวนานี่ยต้องเป็นผระต้นนั้นเหตดเพื่อนกบฏอิสานวนฤกษ์กระเพ่นเด็กหน่อยอยู่เจ็ขวบก็ได้สาเร็จเป็นพระหันหัวงอหวงอหัวขาวะได้สำเร็จก็มีตังยะแยะเพราะนั้นพวกเขายาจงหูจักกันนะพราะพระไเจ้าอาิสงวนฤกกร ก็แม่คูบาอาจารย์ใบบริสวงลิขิตให้พวกเฮาเหตุใดวิธีการนั่งนี่ขาขวาทับขาสายมือขวาทับมือสายท่างกายให้ตรงตํามลงสติเฉพาะหน้าเอาตล่อมจิตใจบ่อยคิดไปแน่อดีตบ่ห้คิดแน่หน้าปุ๊บบ่อยคิดถึงผู้หัดบ่อยคิดถึงพู้นิบบ่อยคิดถึงวัวถึงควายถึงสามถึงหมาถึงหมูถึงม้าถึงกาถึงไก่ถึงเงินถึงทองเราไปบ่ยคิดทั้งหมด เนี oui. hmm. piano, ่ยเบื้องสูงบื้องตามคิดดูกับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธในใจแต่พอต่ำบนออกปากก็น้ไปฝึกในใจพุทโธพุทโธถ้ามันไปมันก็เดินกลับมาถ้ามันไปก็เดินกลับมาหยากบ่ลลูนพอคือยังมาถามโอ้หยาบเนี่ยเสียวใจอยู่กับเจุบขวางโอ้ยาบครับแต่ว่ายากก็เป็นนาทีของพวกเฮาคำนว่าฝึกใจได้แล้วดีก็ฝึกง้อฝึกควายฝึกสร้างฝึกหัาฝึกหมาวนะไปการฝึกใจหยุบขวงได้แล้ว เลประเสริฐอิหลีพระพุทธเจ้าผว่าม่อะไรจะเลิศกว่าฝึกใจของเจ้าของใดเป็นอริยบุคคลแห่งพนั้นสงควรยันเยียงพวกห้าถึงจะทุกจะยากวันนี้ก็ต้องฝึกกันหน่ฝึกใจเจ้าของอให้ฝึกพุทโธพุทโธพุทโธจากงานม่านจิตมันก็ตลมตลมตลมตลมเข้ามาละบาลเอยจิตบัปปุกไปทคำหนอยจิตนิ่งอะไเนี่ยพ่อนี่ยมันเด่นชัดเด่นชัดดูอยู่ในใจของเ้อง โอ้พระพุทธเจ้าพูดว่าร่างกายเป็นหนึงใจเป็นหนึงตายระบบตายระบบศูนย์เนี่ยตายเราเกิดอีกโอมานอีิริเดียนความพระพุทธเจ้าอิรีเดียพระพุทธเจ้าเป็นอย่างเป็นอย่างหูมัดจุดนี้เป็นอยังเป็นจึงฉลาดเป็นยังมาสอนเขาได้เนี่ยเป็นยังวิเคราเข้าได้โอ้แมนเนี่ยมันจิตมันจะหูในจิตในใจของพวกเข <im> ้าได้ธรรมะในว่าธรรมะในปัจจตบันรู้เฉพาะตนคานว่าพวกเข้าบอ บอกปฏิบัติยมีแต่ปฏิเสธบอกแต่เปล่าเปาไปแล้วเออปวดเชื้อหัวมาแล้วแม่เนี่ยตาบอดร่องร่องเหมือนเตะไปเตะมากเตะสา่เตะกว่าเตะไปถึงต้นข่อยก็ยังไข้ได้นะตัวแวนเนาะเตะไปถึงเสาหัวก็ร่องร่อเหมือนยานันนแคงหัดมาตลอดไปตาบอดเนีอพวกนั้นพวกเาเชื้อบุญเชื้อบาปเนาะปลุกหลานหนาออกตนหยาดโย้มเนาะอนลับพอนะเนี้ยเดี๋ยวคณาสงฆ์จใพ่อมาที่สวนกุศลนะวัานี้น่ยปวดหน้าเนาะ ควรนำวัตถุส่วนกุศล